Oh, oh, oh. ภากินกะธรรมของท่านนาคารชุนชยธรรมูพิกุคำนำหนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในสามเล่มที่ข้าพเจ้าได้แปลและเรียบเรียงงานของท่านอารยะนาคารชุนครูรุผู้ยิ่งใหญ่ชาวอินเดียไว้ เพื่อให้ตัวข้าพเจ้าเองและผู้สนใจได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเนื่องเพราะท่านนาคารชนเป็นผู้ที่มีปัญญาฉลาดหลักแหลมอย่างยิ่งท่านจึงสามารถหยิบยกและสรุปประเด็นที่สำคัญต่างๆในคำสอนอันมากมายของพระพุทธองค์มาแสดงให้เราเห็นได้อย่างแจ้งชัดถึงหลักการดำเนินที่ตรงและถูกต้อง เพื่อไปสู่ความรู้แจ้งหลุดพ้นอันสูงสุดอันเป็นเป้าหมายที่สำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาแม่หนังสือเล่มนี้จะเป็นการรวบรวมผลงานชิ้นเล็กๆของท่านซึ่งไม่ได้ใหญ่โตเหมือนรัตนวัลีหรือปัญญามูลฐานแห่งทางสายกลางแต่งานเหล่านี้ก็มีความหมายที่ลุ่มลึกและเอียดอ่อนลึกซึง้งและครอบคลุมสิ่งจาเป็นทั้งหลาย ที่สมควรศึกษาและนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งดังนั้นพวกเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความละเอียดอ่อนแยบคายในการศึกษางานของท่านอย่างมากเพราะมิฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้ประโยชน์อันใดเลยชะยะธรรมูพิคุ สารบัญ 1. บทสรรเสริญพุทธคุณ 2. บทสรรเสริญธรรมธาตุ 3. บทสรรเสริญโพธิจิต 4. หกสิบสโลกธรรมว่าด้วยเหตุและผล 5. เจ็ดสิบสโลกธรรมแห่งสุญญาตา 6. วิธีทางอันยิ่ง